อาจารย์การสัจพาโรประทานสงฆ์ในทีน่นี้ขอเจริญพรคณะศรัทธาที่มาทำบุญในเช้าวันนี้ต่อไปเป็นเวลาของการฟังธรรมก็ขอให้อยู่ในอิรียบ ท, ที่สบายตะกี้พูดเรื่องวัดขุนไม่ว่า ก็พูดถึงความเป็นมาเป็นไปนิดหน่อยคือสมัยก่อนสถานที่แห่งนั้นเป็นที่จอดฮอลิคอปเตอร์ของในหลวงราชกาที่พระองค์เสด็จมาโปรดชาวเขาคงกันหลวงคุณวางหอจอดที่คุณไม่ว่าตรงวัดที่เป็นวัดนั่ น, นตรงนี้เป็นวัดนั้น ฮอลิคอปเตอร์จอดตรงนั้นแล้วก็ต่อมาครูบาอาจารย์ก็ขึ้นไปอยู่แต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นทางผ่านทางผ่านพระธุดงสายหลวงปู่มันใจหลวงพ่อเราก็ไปเดินทุดงไปเพราะบริเวณนั้นก็อยู่กันหมดหลวงพ่อนวนอยู่คนไม่ว่าหลวงพ่อบุญหนักอยู่คนวางแล้วก็ขุนกลางมันจะเป็นเส้นทางเดิน ตักวันนี้ขุนวางไม่มีพระอยู่สารากลาเป็นคอกไก่ชาวบ้านทําเอาไก่ไปเลี้ยงเอชาวมงนะเชาวมงอืคุณไม่ว่างนี่ยังมีพระอยู่ก็ลเลยยังอยู่ได้ขุนกลางก็ไม่มีพระอยู่แล้วอชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปยึดแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีพระอยู่ชาวบ้านก็จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากสถานที่ ที่นี่ก็ตรงตำแหน่งคุณแม่ว่ากนี่จะสูงที่สุดมองเห็นโดยโดยถน น, นได้อากาศก็วันหนึ่งก็ไหลเลยดูหนาวฝนร้อนร้อนก็จะประมาณช่วงใบใบหนึ่งบสองแดดออกประมาณสามสิบนาทีจากนั้นก็เปลี่ยนเลยดูใหม่หนาวฝนคือถ้าคำมาก็คือเมื่อตึบมีแต่มีแต่ห ม, ม, มอก ชื้นตากผ้าไม่แห้งผ้านเนินก็จะแย่งเตาไปกันชั้นข่าเสร็จก็จะมานั่งหลอมเตาไฟเพื่อจะตากผ้าเช็ดบาดมันเปียกตากไม่แห้งหลวงพ่อเราก็ไปอยู่หนึ่งปีนะพันษาหนึ่งที่นนทพูดถึงว่าภาวนาดีไห ม, มภาวนาดีเงียบสงบเลยดีมากก็คือคืนไม่มี ทโทรศัพท์ไม่มีขึ้นใครโทรมาก็ไม่ได้รับข้อความอะไรเขาก็ดูไม่ได้มันก็สงบดีสงบเพราะสถานที่สงบก็พูดบาลีขึ้นไว้ว่านติสันติพรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ทั้งธรรมชาติที่แปรปวนแล้ว ก, ก็น้าท่วมแล้วก็ดินสไลด์ทางาวาย่างอื่นๆก็เมื่อวานก็คนตายอุบัติเหตุถ้าจิตของเราตามไปกับกระแสของโลกก็จะมีแต่เรื่องที่แบบหอ่อเหี่ยวใจหดหัวใจเศร้าใ จ, ใ จ, าใจเกิดความระแวง เกิดความไม่สบายใจเพราะว่าโลกมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปด้วยตัวของเขาเองแบบนั้น <c oughs> ก็พวกเราทั้งหลายนี่ตกอยู่ใต้อานาจของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการเวลาการเวลากินกินสรรพสัตว์การเวลากัดก่อนสรรพสิ่งการเวลาล่วงเลยเผยความจริงการเวลาละทิ้งคนลืมการว่ากาลและเวลาคนเรานี่มันเริ่มตรงไหนการเวลาเริ่มที่การเริ่มมีการนับถ้ามีการนับก็มีการหมุนไป มีตั้งแต่เริ่มเกิดนะนำไปสู่ความแก่นาไปสู่ความเจ็บนาไปสู่ความตายแต่ว่าความไม่เที่ยงของโลกเนี่ยก็คือว่าเราจะไปหมายกำหนดว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้เราจะเกิดเวลาเท่านั้นเราจะแก่เวลาเท่านี้เราจะตายมันมันหมายกาหนดไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของความตายนั้นพระพุทธเจ้าให้กาหนดเลยว่าไม่มีการไม่มีเวลา เด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือว่าให้รีบให้เร่งรีบเร่งหาที่พึ่งที่เป็นเกียรสารที่เป็นหลักของชีวิตของเราไม่ให้อ้างการไม่ให้อ้างเวลา ไม่ให้อ้างดินฟ้าอากาศไม่ให้อ้างว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังแข็งแรงอยู่ให้รีบให้เร่งทำไม่ให้อ้างว่ายังเช้าอยู่ยังสายอยู่ยังไม่ถึงเวลาทำนี่ไม่ได้ท่านให้ทำทุกการทุกเวลาก็เราจะเห็นว่าการเวลานั้นเกิดจากการหมุนการหมุนเวียนเป็นวัตจัก <c oughs> เพราะมีการกำหนด มีการนับถึงมีการมีเวลาการเวลานั้นก็กินสรรพสัตว์ทั้งหลายคือว่าไม่มีใครที่จะต่อสู้ต้านทานการเวลาได้เมื่อเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ต้องไปสู่ความสุญสลายแม้จะเป็นสังขารที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือสังขารที่เป็นสิ่งก่อสร้างหรือกระทั่งตัวของโลกไปนี้ก็เป็นสังขาร ที่อยู่ในอำนาจของการเวลาที่นี้ก็แท้จริงแล้วกลางวันกลางคืนก็เป็นเรื่องของการเวลาเป็นเรื่องของแสงเป็นเรื่องของเงาเป็นเรื่องของการหมุนไปทั้งรวมทั้งหมดก็รวมว่าเป็นเรื่องของสมมุติเราสมมุติเราเราสมมุตินับเอาทีนี้ ธรรมของพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ว่าอากาลิกธรรมธรรมที่ไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาว่าอากาลิกธรรมธรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมไม่ประกอบด้วยการสมมุติคือไม่มีสมมุติเพราะฉะนนั้นถ้าเราสมมุติวันสมมติเดือนสมมุติปีมันก็เป็นเหตุให้เกิดความประมาท เกิดความประมาทเกิดความชลาใจเพราะมีวันมีเดือนมีปีมีเวลาที่กําหนดตอนนั้นตอนนี้แต่ว่าเรื่องของความตายที่จะเข้ามาตัดรอนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ได้กําหนดการไม่ได้กําหนดเวลาการเจ็บการป่วยการไข้ก็ไม่กําหนดการไม่กําหนดเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่มีสัญลักษณ์ล่วงหน้าที่จะบอกเพราะฉะนั้นเราจรึงต้อง เป็นผู้ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความเป็นผู้มีสติความมีสติก็แปลว่าเป็นผู้รู้ตัวอยู่กับตัวเองนั้นคว่าสติกับคำว่าสันติตามศัพท์บาลีเป็นรากฐานของถาดเดียวกันคืออสัทธาตในความมีในความเป็นในความอยู่สันติ สันติมันก็แปลว่าอยู่แหละแปลว่าสงบก็ได้อยู่อยู่ที่ไหนอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองสังเกตว่าเราเอาสงใจออกไปดูโลกดูสงสารมันก็มีแต่ความวุ่นวายไปดูคนอื่นก็วุ่นวายเหมือนกันเพราะคนอื่นก็ไม่เป็นไปดังใจของเราเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากด้วยเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ อยากให้โลกเป็นไปตามที่ใจของเราหวังอยากให้บุคคลทั้งหลายเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาแต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะนั่นก็เลยผิดหวังผิดหวังก็เป็นความขับแคนใจเป็นความบีบคั้นใจการอารมณ์ลักษณะว่ามันบีบมันคั้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทุกข์มันไม่ได้ดังใจมันทุกข์ทุกข์เพราะว่าถูกบีบถูกคั้น ถูกความอยากของตนเองนะบีบคั้นตนเองจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่มีแสงสว่างในตัวเองเพราะว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ไม่ได้เป็นดาวเลิกแสงสว่างของโลกนั้นมาจากพระอาทิตย์พระอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองก็เหมือนกับอารมณ์ขัน รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ใจนี่ออกไปรู้เป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นะไม่ได้มีแสงในตัวของตัวเองคือไม่ได้เป็นตัวจริงถ้าพูดทำหลักภาษาปฏิบัติท่านก็เรียกว่าไม่ใช่จิตเป็นกิริยาของจิตคือจิตที่มันออกไปไปทํางานไปทําหน้าที่ไปรู้สิ่งเหล่านั้นเหมือนไฟฉาย ที่มีแสงในตัวแต่ส่องออกไปข้างนอกไปดูอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ใจนี้ไปรู้ไปกระทบกระทบและสะท้อนกลับมาให้รับทราบสัญญาความทรงจำก็เหมือนกันคือจิตเนี่ยไปทำหน้าที่ย้อนไปในอดีต ย้อนไปแล้วก็ไปสะท้อนกลับมาให้ตนเองรู้อีกสังขารนะ่กคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันวิ่งไปในอนาคตคือวิ่งไปก่อนคิดไปก่อนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่ก็สะท้อนกลับมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าจิตนี่มันมันย้อนเข้าหาตัวเองปุ๊บขันหมานั้นนะจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นมันมันจะนิ่งสงบลงเลยมันจะไม่ไม่แสดงตัว ได้เป็นความสงบเพราะฉะนั้นนะ่ะท่านยังกล่าวว่าสันติคืออยู่อยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองอยู่ที่ฐานผู้รู้นั่นแหละที่หลวงปู่ทองอินท่านบอกว่ารู้อยู่ที่รู้หรือใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าใจนี้เป็นอิสระจากอานาจของตัณหาคือความอยากมันอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ความสุข ยังออกไปเที่ยวสแสวงหาหาลูปหาเสียงหากินหารถหาสัมผัสมันซ่านออกไปด้วยอำนาจของตัณหาถ้าเราสร้างความรู้รู้ตัวรู้ตัวเองแล้วก็รู้สิ่งที่เราไปอาศัยสิ่งที่เราอยากรู้เข้าใจเข้าใจสิ่งเหล่านั้นตามสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนนี่แท้จริงอย่างงี้รู้เข้าใจทุกถึ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยปล่อยวางตามสภาพที่เขาเป็นแล้วก็อยู่กับตนเองได้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าใจนี่อยู่กับตนเองได้เนี่ยมันก็เข้าถึงความสงบเข้าถึงฐานฐานของแสงสว่างที่แท้จริงแสงสว่างแท้จริงมันก็อยู่ในในใจของเราอยู่ในจิตของเราสิ่งที่เราเออกไปรู้ทั้งหมดนะ่ะเป็นแค่งเงา เป็นแค่งเงาคาว่างเงามันก็ไม่มีตัวเอาไปควา้ายังไงมันก็ไม่ถูกความไม่ถูกตัวคว่าให้ถูกตัวก็คือคว้าเข้ามาหาใจของตนเองใจนี่ก็หาลู่หาล่างไม่ได้แต่มันมีรู้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงให้เราฝึกฝึกรู้ตัวโดยการหายใจเข่าหายใจออกรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้คาบริกรรม รู้ต่อเนื่องไยเรื่อยๆให้สตินี่มันแก่ก้าขึ้นมาเมื่อมันแก่ก้าขึ้นมามันถึงมันพร้อมมันก็จะรวมตัวเข้าไปโดยอัตโนมัติเมื่อรวมตัวเข้าไปแล้วอันคาว่าใจนี่มันจะเข้าถึงได้ต้องเข้าถึงได้ด้วยการประกอบเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความนึกด้วยความคิดเอาคิดเอามันเข้าไม่ถึงมันต้องอาศัยการทา ปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งโดยการมีสติกำกับให้มันถึงพร้อมพอเพียงเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมทำให้มันสมควรแกร่ธรรมให้มันเพียงพอแล้วมันก็จะเข้าถึงที่ของมันถ้ามันเข้าถึงแล้วอันนั้นแหละเรียกว่าจึงจะเข้าถึงตัวของตัวเองอทีนี้เข้าถึงตัวของตัวเองแล้วก็เอาตัวของตัวเองมาศึกษาตัวของตัวเอง ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้จริงจะเรียกว่าอาการิโกอาการิกะทาที่ไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเพราะในนั้นมันไม่มีวันไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีกลางวันกลางคืนมีแต่รู้อยู่อย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้กล่าธรรมะพอสมควรพอเป็นอุบายให้ญาติโยมได้พิิพิจรารณาเรื่องของ การเรื่องของเวลาเรื่องของสมมุติเรื่องของวิมตุตติเรื่องของความสุขที่แท้จริงที่อยู่ข้างในของเราเราโลกข้างนอกมันเดือดร้อนวุ่นวายเรามาวัดแล้วก็มาสงบเข้าสู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าสแสวงหาความสุขนี้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองค้นพบแล้วจึงมาบอกต่อมาแสดงมอบไว้เป็นศาสนาให้พวกเราให้เป็นที่พึ่งของจิตใจของเราให้ได้มีความสุขความสงบก็ ขออนุโมทนา